ไปกมุดนะอยังเราเดินมนึงใช่ใช่เวมาเราเดินมึงมันไม่สุดอยู่อย่างที่มันไม่ไปเนี่ยเออเรา ก, ก็กลับนะในความรู้สึกนะก็ถึงเรื่องจิตของเราแล้ว ก, ก็นำมาแต่ว่ามาถึงที่นี่ไม่มีที่ไปอีกจบอันนี้อันหนึ่ง อ, อันที่สองม น, นมันเป็นอย่างงี้เดินมึมันมาชนนี่เลยเรา ก, ก็กลับ เดินมาก็มาชนนี่มันก็กลับแบบหนึ่งนั่นมันไม่มีอะไรจะชนมันจะตกลงไปมันถึงนี่ก็กลัวเลยก็กลับกลัวเลยก็กลับไอตรงนี้มันมามันชนตรงนี้มันก็กลับมันชนตรงนี้มันก็กลับนี่อย่างนี้นี่มันอะไรเนาะนะมัสบายใจทำภาวนาเดินยังโกงไปสีไหนเนี่ก็กลับมาอยู่ตรงนี้แหละ นี่อะไรอะไรเนี่ยอะไรจะชั่งมันเถอนานๆมันจะหยุดไปนานๆก็โว้ก็นตรนี่อะไรมันมาทวงอยู่เรื่อยๆอยคือความรู้สึกในใจใช่ใช่ที่มันเป็นมาแล้วในสมาธิแต่ธรรมดาอยู่ปกติมันคนมือความรู้สึกอยู่อย่างนี้จิตใจมันมาวุ่นวายอย่างนี้มันคืออะไรมันมาทวงอยู่บ่อย ไอ้ตรงที่มันเป็นมันเป็นในสมาธิเราเนี่ยเป็นในสมาธิเนี่ยมันติดอยู่ในสมาธินี่เราเดินเหมือนมันมีความรู้สึกอย่างนี้คืออะไรนี่เฉงอันเนี้ยนี่มันคืออะไรมันมาทวงเราอยู่บ่อยๆอย่างเงน้ะคือคือเรายังไม่รู้รู้ไม่เลยถึงขั้นที่ปล่อยวางมันมันก็ยังติดตามอยู่ก็เลยขึ้นไปเรามองเห็นพระในเวลานั้นใจนึกถึงท่นอาจารย์หวัง ท่านไปอยู่ยอดเขาปูดังกาท่านมีนีนู่สององแล้วก็มีพระองค์เยอะกว่ท่านมนน้อ <No. S 1> ยอดเขา mm hmm. มันเคยเห็นท่านหรอกแล้วก็มองเห็นว่าพระองค์นี่หนาแก่ ท่านยัง ม, มีอย่างใดก็ต้องมีอย่างหนึ่งเละท่านเพิ่งมาอยู่แบบนี้เนี่ยพะวินัยท่านจะดีอะไรจะดีเป็ น, น, น, น, นปท่านุ้เน่ยมันไม่ขึ้นเคลื่อนไปกระทันพอไปถึงท่านดีใจเลยท่านก็รู้เหมือนกันที่ม้มไปนะเนี่มท่านจะ พ, พบพระอย่างนี้ต่ก็รู้จักเหมือนกัน ตอนกลนคือมอนันมาพูดถึงการปฏิบัติกันอก่ารั่นรุ่นรุ่นตุศิษย์อาจารย์มันรุ่นอาจารย์ีบัตสุกัลลานีน่แหละเป็นเพื่อนกันเก่งเขานะ้ามเก่งเลยแกต้ทษถามว่าท่านอาจารย์ ตอนนี้มันก็มีลาอันทุงควรที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์กันแล้วนะี่ยไอเรื่องภาวนานี่ครับมันเป็นยังไงไหมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่มันเกิดมาต่างๆ่างเออแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงเท่านั้นนะท่านอันนี้มันเลืองเล็ก ท่านมาพูดถึงเรื่องของท่านให้ฟังในคราวนั้นท่านเดินกำลังทำเพียงอย่างเดินจต่กลัวไปหยุดอยู่กำหนดในร่ า, างกายมันจมไปในหินเลยจมลงไปรู้ไหมนะรู้รทำไมไม่รู้รู้อยู่มันก็จมมันไปกำหนดมันก็จมมันไปดื้อดื กำหนดทุกอ่ามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปจมไปนี่จมมันถึงที่สุดแล้ว่ะที่ไหนไม่รู้จักถึงแต่ว่ามันถึงที่สุดมาแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นม า, นมาแผ่นดินยึด ต, ตรงนี้ขึ้นมาไม่ไม่มอยู่นี่ขึ้นไปโน่อนอีกแล้ว <laughs> ขึ้นไปโน่นก <laughs> ็รู้มันอยู่แกว่า อาจารย์หรือเกิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะทีนี้ก็มันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถึงปลายไม้เลยร่างกายแตกงอรมไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยมันไปติดอยู่กิ่งไม้เป็นพวง <c oughs> ท่านอาจารย์ไม่ใช่ฝั น, นืไม่ใช่เันนะ เออไม่ใช่ฝันเอเราฟังดูมันก็แปลกเหมือนกันนะนี่คำว่างันเองนี่ถ้าเราไม่รู้มันนะมันมันจะเออเราเป็นอย่างอื่นไปมันเป็นจริงจรอย่างนั้นเออมมันเป็นจริงๆอย่างนั้ น, น, น, น, นในเมื่อ น, นั้นมันก็เชื่อว่ามันเป็นจริงจริงอย่างนั้น อ, อืเราเดี๋ยวนี้เราก็รู้อยู่นะเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่านี้ขนาดนี้แหละครับ ท่านจะไปพูดเรนีนิดอย่างอนึ่งขนาดนี้มันเป็นได้อย่างนี้ถ้าว่าคนเราร่างกายมันแตกปุ๊มมันจะมีความรู้สึกอย่างไรนะไอจริงไม่มันไส้มันเป็นพวงเลยมันพันก้นไม้อยู่หนึ่งเอื้อไอ้ความรู้สึกตรงผมก็ดูอยู่มันไส้ออกมาก็รู้ไส่ร่างกายมันแตกก็รู้ร่างกายมันแตกไอ้สิ่งที่มันดูมันมีอยู่ร่างกายมันก็แตกของมันไปไส้มันก็พันของมันไปอยู่อย่างเนี้ยพอเห็นมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นได้แต่ก็มั่นเรื่อยไปแต่คอนใจว่าอันนี้คือนิมิตมั่นอยู่อย่างนี้อ่ะอันนี้คือนิมิตเชื่อมั่นในใจว่าไม่มีอะไรจะทําลายเราได้อย่างนี้เมื่อเมื่อชิ้นๆนั่นเนี่ยกำหนดดูเมื่อดูแล้วก็ดูเข้ามาดูดูดูดูมาถึงจิตขณะถึงจิตมันอยู่ในปุ๊บมันก็หายอมันก็หายไป มั่าคิดเหมือนอะไรเนะผมก็พูดว่าอันนี้ทีนี้ผมมากราบอาจารย์ผมจนปัญญาเลยดีเนผมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอีกมันเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆว่าเราเดินสะพานไปอย่างเนี้ยคล้ายสะพานนี่มันดูงไปในแม่น้ําอย่างนั้นนะแล้วก็เดินไปเดินไปเดนไปก็ไปหุดคือ ไม่มีที่ไปอีกแล้วจะทําไงอย่างนี้เนี่ยขหานกลับมาบางทีมันก็เดินก็ไปอีกมันเป็นในสมาธินั่นเอนะไม่ใช่ว่ามันเป็นอยู่เฉยๆนะไปถึงตรงนั้นเดียวก็อืมันจบอยู่เงี้ยเดินไปเงี้ยมันอยู่เนี่ยมันไม่มีที่ไปเนี่ยมันจบอยู่ตรงนี้เนี่ยกลับมาอีกกำหนดใหม่มันมันไปไม่ได้บางทีก็กําหนดไปบางทีมันมีอะไรขวางอย่างนี้ มามามทึกไม่มีที่ไปเลยมันเป็นนานนะครับเนี่ยไม่ใจเนะมันมันจนมันจนนี่ความรู้สึกอะใครได้มาช่วยเราเนอะเราก็สงใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วจะท่องทําอย่างไรอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาก็เราเรายัง ม, มันเป็นไม่เป็นถึงขนาดนี้นะทาไปทินจนาไปอันนี้มันคืออะไรธนชาต อันนี้มันหมดมันเป็นที่สุดแห่งสัญญาแล้วท่านบอกว่าเมื่อมันสิสุดแห่งสัญญาจะไปที่ไหนยืนอยู่ที่ตรงนั้นแหละแห่งกำหนดยือที่ตรงนั้นไม่ใช่ว่ายอยู่ที่ตรงนั้นแหละถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นว่ะมันจะแก้สัญญาในที่นั้นมันจะเปลี่ยนเองของมันไม่ต้องไปบังคับมันเลยแต่เรากำนัดจิตดีว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้ ํานวดจิตรู้่าเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นควรู้สึกมันเป็นจิตจะมันเป็นยังไงอะไรให้รู้จักมันเป็นให้รู้ขึ้นมาถ้ามันรู้จิตเป็นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตรงเปลี่ยนสัญญาเหุ้ไพว่าสัญญาของเด็กกับสัญญาของผู้ใหญ่นะมันก็เปลี่ยนออกไปเป็นสัญญาของผู้ใหญ่อย่างอย่างเด็กอย่างนี้มันเคยจะัมันมันมันอยากจะเรียนของอย่างนี้ เมื่อมันเติบโตขึ้นมาแล้วมันเห็นของชิ้นหนี้ไม่น่าจะเล่นกันแล้วมันก็เลยเด่นของอย่างอื่นนี่ท่านเรียกว่ามันเปลี่ยดสัญญาแล้วอย่างนี้เราเรีเข้าใจนี่ท่านบอกว่าอย่าพูดม า, า, ากาหลายเรื่องต่านพูหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรือ่องคิดว่ามันเป็นในทุกอย่างเลยก็แล้วกันเรื่องสมาธิมันเป็นในทุกอย่าง แต่มันเป็นทุกอย่างก็กช่างมันเถอะเราอย่าไปสงสัยมันอย่าไปสงสัยมันอันนี้อย่าไปสงสัยมันเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวก็นก็ไปหมดของมันไปมันจิตัดสังขารไม่มีอะไรต่อตายถ้าเราต่อไปเห็นเป็ดรูไปเห็นเป็ดเป็ดกลายเป็นไก่เนีย๋ยวไปดูตามไก่ไก่เป็นหมาดูหมาไปเดี๋ยวกลายเป็นหมูเลยวุ่นไม่รู้จะขึ้นจบ กาหนดรู้มันทิ่งมันที่ตรงนี้แต่ว่าแยกเข้าใจมาหมดนะท่านบอกว่าอย่าเข้าใจว่าหมดนะทิ่งคนได้แยกเข้าใจว่าหมดอืมแย่าเข้าใจมาหมดเดี๋ยวมันจะมีอีกแต่เราทําความว่างมันไม่เชื่อมันวางมันรู้เราปล่อยวางมันไว้ในใจของเราเสมออย่างนี้ไม่เกินอันตรายทั้งนั้นกําหนดอย่างนี้ให้มันมีรากฐานอยู่อย่าไปยิ่งตามมันเมื่อเราไปภาวนาแล้วมันเป็นเช่นนั้นแล้วรู้จัก คือแล้วมันเราไม่ี ค, ความรู้สึกอยู่แล้วเนะี่ยเมื่อมันเป็นเช่นมาแล้วแต่น้อมพอทึ่งจิของเราดูกำหนดตรงนั้นพอที่เวลาแก้ดึงมันก็ค่อยๆเกิดปัญญาตรงมันแก้ตรงมันไปเองตรงมันมันมีช่องตรงมันไปอย่างนึนงท่านบอกว่าอันนี้อนอนดีใช่ป่ะอนาคตต่อไปนันนานะท่านว่าก็ทํานองเดียวแค่นี้ แต่มันจะยิ่งหย่อนประกันก็ได้มันจะดีเลือดมันจะดีประเสริฐประช่างมันเถอะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ให้ทําความเข้าใจไปในใจจริงๆอย่างนั้นไปปรึกษายัางรู้ดูมันจะสามคืนคุยกันนี้นั่นนะก็เราเริ่มจากภกเขามาระวังเด้อบางคนเมื่อก่อนไม่มีอะไรครับ สบายไม่เป็นทุกข์เลยนะไม่มีอะไรที่จะตัดของสบายใจก็สบายใจก็สบายไนะม่มีแล้วแพทย์มองว่าอันนี้มันคือปุพกรรมของเราเนะี่ยมันก็ต้องสู้กันในเวลานี้เวลาจิตมันรวมนี้มันก็มาแย่งมันดังตรงนี้ไอ้สิ่งที่มาแย่งเลยไม่ใช่มันของร้าอย่างเนี้ของดีอย่งนี้นะ ใจเราเบื่อวันไปชอบมันก็มีนะไม่ใช่นะกันบอกว่าของร้ายมันน่ากลัวก็มีนะน่ารักก็มีเป็นอันตรายขนาดไหนถนนจะไปหมายมันมันเลยอันนี้ยังมีมากอีนหนึ่งก็ลงจากภูเขามาแล้วก็มานั่งกําหนดเวลที่จะเดันไหลายหลายอย่างไลหลายวันนะเออมันก็ดีก็เลยคิดว่าเออคน จะเป็นภาวนาคนเดียวนี่มันก็ได้หรอกแต่ว่าบางคนบางคนมันช้าไปก็มีเตรียมไปอมบอมวนวนอยู่ตรงนั้นอมนไม่ตั้งปัดสังใจของเราใครมีใครไปล่องบอกที่ทางมันบอกวิ่งไปเลยพิจารณาไงมันมีทางที่จะพิจารณาอย่างนี้ทุกคนต้องเรีนนี่ ติดมันติดสักนัดอันนี้ก็เป็นอุตส่าห์เหมอนกันโน่นเป็นที่อินเดียยังอามาอยู่นี่จับมามันมันทัานไม่จับมันมาหรอครับมันมันมีเองมันหรือมันึกขึ้นมามันเป็นคือมันไม่ขาดอันนั้นในเรื่องจิด เรื่องจิตเนี่ยไปทำมันเกินควรไดไมันมันเสียสษตริแหลเป็นบ้ามันเป็นบ้าแต่ไอคนเป็นเฉพาะจิตเนี่ยมันไม่ใช่มันแกงยางไงทำมันเป็นลเลยนะท่านอาจารยา์เจ้าคุณอาจรครูท่านในเด็กเด็ก น, น อ, อ่เด็ก เีเป็นนนมาบวชนี่ไปฝึกกรรมฐานมาทำกรรมฐานท่านว่ท่านก็ไม่รู้อาจารย์ ม, มาไปฝึกกรรมฐานต้องมสีไปฝึกกรรมฐานมามันเป็นยังไงอาจารย์ก็ไม่รู้เมื่อฝึกฝุดมาเป็นเดือนเดืนเนี่ยเนยเนี่ยมันเกิดพูดมากน่นั่ น, นั้นเกิดเพกิดเพลิน เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวนี้ไม่หนังสือมันไม่ได้เรียนเนี่ยมันพูดถูกเนี่ยอะไรมันอัศจรรย์เลยเราฟังมันพูดพูดเราฟังมันก็ถูกเลดเราคอยใจบา่อย่างในเป็นพระอาจารย์ด้วยเนี่ยนี่เป็นี้ยมันเทศถูกทุกอย่างล้วฟังเนี่ย มันชาต์เพื่อนปาดเกินไปก็ที่อาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติมาไมเปเป็นรู่นไปการปฏิบัตินี่เรคิดว่าเนี่ยนี่มันเกิดปัญญาแนละ้วนี่ยมันมีปัญญาแนละ้วมันจะพ้นจากคดีแท้งประเทศถูกไายอย่างคน้อกฟังอีกวันหนึ่งตอนกลางคืนตอนเช้ามาให้น้าเชื่อผูกคอแขนเนี่ย จนไม่ตายอ่ะถึงจะโอ้คนเป็นบ้าว้่อาจารย์รู้จักว่าเออมันเป็นบ้าเนี่ยครับคือคนไม่รู้จักกันไม่รู้จักแก้ไขอะไรมันเป็ี่ยนไปอย่างนี้ถ้านานไปมันเป็นได้ครับคือคือคือคือมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาในใจว่าชีวิตนี่เบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่ต่อไปอีกแล้วนี่มันคิดมาอืม เบื่อมันเบื่อืเบื่อมันเบื่ อ, อย่างกิเลสไม่ใช่เบื่ อ, อย่างข้นกิริตไม่ปิดไม่อยูย่อะไรอยู่ไปก็ไม่เห็นปิดไปหยุดไหมนุมันนี้นใจดีกว่าวันไหนก็คิดอย่างนั้นไม่เห็นปิดไปหยุดไร้ายดีกว่าวันไหนก็คิดถึงมีประโยชน์อะไรคนใจดีกว่ามั น, นจะทําได้เจ้าของ มันแน่นอนมันเชื่อไอ้ความเชื่อนี่ทำรายชีวิตจ้าของหน้ากล้าทำต่อไปในทางผิดได้มันก็ผิดมากแต่ผมเห็นว่าตามความคิดผมนะแต่ว่าจ ะ, าจะไปเอ า, อาพิญญามาเน้อไปเอาอะไรมาเนื้อพอจิตสงบแล้ว พอเราพิจารณาสังขารทางกายของบคนเอาเอาตรงนี้พิจารณาให้มันเป็นวิปัสนาไม่ต้องตามมันไปถึงโน้ตแวะทางเพื่อทวิปัสนาตรงนี้ให้มันเกิดปัญญาให้รู้เศ้าจริงที่มันเกิดตับหรือมึงนั่นก็ไปได้เท่านั้นบางคนมันคิดอย่างไงน่ะจะทําสมาธิให้มันสุดฉีดมันใช่อหมจะได้สาธิตนี้มันสุดฉีดมันใช่ จะทำสมีธีมันสุดหรินมันมันสุดจงจบสรไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลนก็ไม่รู้เรื่องเลยไอ้ความเป็นจริงแล้วเนี่นะไม่ต้องยํำอะไรมันมากมายน คนที่มีปัญญาแล้วนะพอจะว่าเราเพิกถอนสมมติที่เขาสมมติกันเนี่ยเพิกถอนมันออกซะให้มันหมดให้มันเป็นวีมุตว์นะวมุ ต, มมตคือมันพ้นคือมันว่างจากสิ่งสมมตินั้นสิ่งสมมติว่าเป็นนั้นแต่เราเพิกสมมติอกให้มันเห็นตัววี ม, มุตอย่างนั้นมันพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ อันนี้มันรู้จากจิตของเจ้าของไม่ต้องตามอะไรมันเป็นมากมายี้เท่านี้ก็พอแล้วปัญหานี่มันยุ่งหลายครับบางคนก็ทำยากคือคิดจนเกินไปซะได้ไม่ถูกเรื่องนี่คิดว่าจะทำมากๆแตนน่นต่มันดี อะไรมันดีทั้งหมดเป็มันมากยังไงมันไม่รู้จักว่ามากน้อยมันเป็นอย่างไรก็เหมือนใครก็คนคนเศรษฐีก็คนจนมันดีเศรษฐีมันดีมันดียังไงคนเศรษฐีมันดียังไงนี่คนจนมันจนยังไงคนที่สุดแล้วเมื่อรวมจะเลื่อไปแล้วมันก็เข้ากันเศรษฐีคนจนมันก็เข้ากันนั่นแหละคนที่สุดตอนแรเมื่อต้องเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็มือนกันฉันนั้นอุซาอันนี้มันจะต้องไปพูดกันทุก ว, วันผมไม่เคยยินผมไม่เคยในโอกาสพูดดับลมพ้ออ ม, มาหาก็มีคนมานะคะํำสาบคงจะกลาก็อยากเหมือนกันก็ไม่พอใจอย่างเราจริ ง, งเหมือนกันแต่แล้วคำา มันไปดิบกันไมจะห่โอกาสหลวงพอที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าให้ทำจิตแค่จสงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาคา้างขานกรณีการพิจารณาสัางคารอย่างนี้ที่ไปยินองค์พอพูดหลายครั้งแล้วเป็นตนพิจารณาอาจารจสามจิดสอง อันนี้ใสสัญญาคือความคิดความรุงแดงมันสามารถที่จะให้เกิดก<ช>ารโาจริงไมใช่ต้องใช้มันก่อนต้องใช่อันนี้มันก่อนเดิมมันก่อนอถ้าหากว่าตามความเป็นจริงมาเรื่องร่วมรู้สึกลึกคิดทงนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นเออไม่ใช่ทั้งนั้นครับแต่พูดไปถึงโนนมันไม่ใช่ความึกคิดคิดดีคิดชัด่วคิดไม่ใช่ท้งนั้น ถ้าใช่มันจะหมดมันต้องทำไ้มันหมดอันนี้แต่เราคิดให้คนฟังเราพูดในคนพูดใ้เด็กฟังเรื่องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าความเป็นจริงถ้าถึงที่สุดนันไม่เหลือครับอันนี้มันไม่เหลืออย่าตามสังขารอย่าตามความปรุงแต่งเราเห็นสังขารคือความปรุงแต่งมาเป็นตัวปัญญาเราก็วิ่งกัาไปเรื่อยเรื่อยมันเป็นสังขารทั้งนั้นเนี่ย ไอความรู้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเหมันกันทิ้งมันเหมือนกันเนี่เออทิ้งมันเหมือนกันดูจักวิญญาณนี่ก็สั่งว่าวิญญาณไม่ใช่ใส่บุคคลตัวตัวเราเขาเหมือนกันทิ้งมันเหมือนกันเนี่ยเงี้ยหมดหรือมันหมดยังนงเนี่ยคนกระัำเมื่อทิ้งมันจะอะไรอีกเนี่ยไปอีกและมันลําบากนะองสารครับทางพบตรงกันไม่ถึงทางขนาดไหนเอ พอพิจารณาได้ไม่ต้องเพราะมีสติพอพิจารณาได้ยึดยึดปัจจุบันนี่นว่าไม่ได้คิดอดีตอนาคตคิดอดีตอนาคตได้แต่ว่าคิดไม่เอาจริงเอาจังกับมันมันต้อคิดทุกอย่างนั่นแหละแต่ไม่เอาจริงเอาจังกับมันมันเรื่องความคิดอย่างงั้นมันเรื่องความคิดถ้าความถ้าความจริงจริงจริงจะไปตามมันเลยอเรื่องความปรุงแต่ง ถ้าตามเด็กคนปลูกแต่มันมีเรื่องเสมอไปแหละมันหมดตรงนั้นมันหมดจิตนี้ก็สักว่าจิตเนี่ยไม่ใช่าศาสาตร์บุคคลตนเราเขาเรียกว่าจิตานุปัสสนามันย่ใช่ของเอาไว้นัเนอืมสุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุ ก, ก, กข์มันสกักแต่ว่าเท่า น, นั้นนะไปเห็นตรงนั้นเน่มันส่งถึงนั้นแนี่มันสงสัยมันก็ไม่มีอะไรแั่นั่นเอม คือการพิจารณาอย่างนี้ที่ปกติพูดมันเป็นความพิจารณาจริงๆไว้ครับที่ใช่สังฐานใช้ความคิดแช่ความคิดใช่ความคิดแต่บามันเห็นมันเห็นนอกเหนือความคิดออกไปอีกตรงนั้นเชื่อหรอที่เชื่อคือมันไม่เชื่อตามอาการนั่นตอ่อไปน่ะใช่ไหมไ อ, อความรู้สึกเดี๋ยวตัดประเด็นความรู้สึกคร่บนั้นไ อ, อ, อ, อคือตัวนั้นมัน คือตัวอันนั้นน่ะมันไม่เกิดไม่ดับอยู่อย่างนั้นมันเป็นของอยู่อย่างนั้นอืมมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคือคือมันไม่เกิดไม่ตายพูดง่ายๆซะมันไม่เกิดไม่ตายออย่างที่ว่ามันไม่เกิดหรืไม่ตายอย่างที่จิตของเราเนี่ยไอ้จิตของเรานี่แหละสมมุติว่าจิตมันเป็นรู้จักควารู้สึก จิตเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องจิตจริงๆเนี่ยอะไรที่มันเหนือกว่าจิตไปนั่นน่ะไอ้จิตนี่มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยเราจึงกำหนดว่าจิตจิตมันเกิดแล้มันดับมันเกิดแลมันดับมันเกิดแลมันดับมันเกิดแล้มันดับจิตอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่ดวงจิตไอ้ที่มันเกิดดับที่อย่างเนี้ย มันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งไอ้สิ่งทั้งหลายตอนที่มันเป็นความจริงนั่นมันไม่เกิดไม่ดับของมันมันจะอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งนี้มันไปผ่านกับเป็นเรื่องที่เกิดดับแล้วมาเรียกสิ่งที่นี่มาว่ามันเป็นจิตโดยฐานที่สมมุติถ้ามันเป็นฐานที่สมมุติมาเชื่อจิตเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นนึงก็เพราะจิตอะไรมันเพราะจิตเพราะจิตเพราะจิตไอ้จิตมันมีมันมาจากไหนอีกเล่าองนี้ะ เชื่อใจจิตเมืนี่นานนี้ยมันไม่สบายเลยนี่ใช่ไหมแต่ครั้งแรกก็รู้จักอันิจ้จังทุกครั้งตาเรื่องของจิตใจว่าความเป็นจริงมันก็มันมีอะไรมันหมดมันว่างนั่นแหละบูรณงกามันว่างไอ้ที่จิตที่มันเกิดมาอาศัยอยู่ในทีมันมันไม่เกิดไม่ดับอะไรที่เมื่อกี่มันเกิดมันดับคืออาศัยสัญญาสังสารความปรุงแต่งเราคิดว่าเออพิจารณาแลยอนี้มันสัญญาเนี่นเอออันนี้มันเป็นปัญญาได้มาจากอระสาขานี่ เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาแท้จริงถ้าถ้าปัญญาแท้จริงมันหมดเรื่องมันหมดเรื่องมันดูแลยมันมันมันหมดเรื่องมันหมดเรื่องแต่ว่าไอสังขารความปรุงแต่งมันมีอยู่แต่เราไม่ตามมันอืยแต่เราไม่ตามมันความรู้สึกรู้มันแต่เราไม่ตามมันอันนั้นมิใช่ทางแล้วมันดูอยู่อย่างนี้ แต่เราจะมาหาจุดนี้ทำยังไงนะอะไรจุดจุดนี้ที่เด่นจิตแท้แล้วก็ตามที่จิตของเรานี่ได้ก่อนเออตามที่จิตของเรานี่เห็นว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงให้มันเห็นชัดของมันนี่มันหมันมันไม่มีที่เอามันก็วางอันนี้อืจิตเรื่มันก็วางจิตอันนี้รู้เรื่องของมันมันก็วางจิตอันนี้ มดจิตที่จะต้องปุงแต่งมันแล้วอแต่มันก็ไม่ได้สงสัยอะไรทั้งหลายเหล่านี้ออันนั้นทะเกว่าไอ้ที่เรียกชื่อมันขึ้นมาเนี่มันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติขึ้นมาถึงนั้นสมมุติให้คนรู้จักธรรมชาติอันนั้นมันเป็นพของมันอยู่อย่างนั้นอืมอย่างที่มันเป็นพื้นที่เราไอ้ตัวที่มันบนอยู่ฝั่งบนนี่นย ไอ้ตัวนี้มันเป็นพืชมันเป็นไม่เกิดไม่หลับมันเป็นพื้นอยู่อย่างนี้ตัวที่มาเกิดนมันยิ่งอยู่ข้างบนใจจะแปะนี้เป็นจิดบหมือนเป็นสัญญาเหมือนเป็นสังขารเหอือนพูดถึงยังไงลูกเวทนาสัญญาสังขารนี่ไม่มีหมดจ้ะมันมีโดยฐานจิตสมุติลูกเวทนาสัญญาสังขารเกิดแล้หลับไปมันไม่มี ดัในคําที่พระสาริบุตรเรียนถามพระคุณธรันธา น, นีเคยได้อ่านไหมท่านจะออกไปทุงดงควัดอาจารย์ก็มาสอนอย่างเดินทุงให้ฟังท่นานภาษาดิบุตรท่านได้ถามลูกศิษย์ท่นานม่าพระคุณธรรมธานีถ้ามีท่านเดินทุดงไปนั่นนะ ถ้ามีถ้ามีคนมาถามท่านปัญหาท่านว่าท่านพระปุมันตะนี้พระจินาโศพตายแล้วเป็นอะไรท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรคือตัวนี้มันมีอยู่แล้วข้าพระองค์กระผมจะตอบเขาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารยิญญาณเกิดแล้วดับไปก็หมดเทั้นนั่นนั่น คุณใช้ได้แล้วใช่ใช้ได้แล้ ว, ลวอันนี้ท่านสอบถามลูกศิษย์ท่านที่จะออกเดินทำแต่วาใช้ได้แล้วทีนี้เราถามที่ว่าลูกเวทนาสัญญาสัญญาณยังเกิดในรดับไปเข้าใจเพียงแค่นี้ก็หมดเข้าใจแล้วเอาไปพิจารณาให้มันเกิดปัญญามันชัดก็ไปนะ ไม่ใช่ค so ือเดาดับไปเฉยๆนะไม่ใช so ่อย่างนั้นต้องไปนั่งีีเหตุผลมีเหตุของเจ้ของจริงๆแต่ว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเกิดเดมันดับไปไม่มีความสุขทุกตามมันเลยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเลยอย่างนั้นให้มันเป็นจริงๆอย่างนั้นเห็นงเจ้าของอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆนะเราเรานั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นแล้วกใดับไปเกิดแต่มันก็ดับไปเกิดดับเกิดดับไปแค่นั้นไม่อาศัยความพรุงแต่งไม่ยิ่งไปตามประมัน ไปุงแต่งอีกพวกคณะฆาเรางั้นคือปรุกแต่งอย่างนึ่งปุงแต่งอย่างคารวาสหยาบๆมันก็ปุงแต่งไปอย่างหนึ่งไอ้เรื่องมันปุงแต่งถ้าเราตามมันไปเสมอถ้าเราไม่รู้มันไปยิ่งมากไม่รู้จะอะไรมันเป็นหน้าเป็นหลังเนี่ยยังมีที่เดิมใช่ไหมฮะทิดเดิมอะไร คือเมื่อหลวงพ่อพูดในที่นี้คือมันคล้ายๆว่าเข้าใจว่ามีอะไรนอกจากอคันฆ่านี่อมีอะไรอีกอคือหลวงพ่อพูด ค, คล้ายๆว่ามีอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเรียกอะไ ร, รจิตเตินจิตเจริญหรือจ <st> ิตปีนไม่เรียกอะไรมันหมดแค่นั้นน่ะเขาเรียกว่ามันของเดิมมันหมดตรงนั้นมันหมดของเดิมมันหมดอาจจะเรียกว่าจิตเดิมว่าสมมุติก็ได้ เออสมมุติก็ได้ถ้าไม่สมมุติก็ไม่ต้องพูดกัน <c oughs> มันไม่มีคำที่จะพูดกันเนี่ยมันไม่มีเรื่องมันของเดิมของเก่าเนี่ยไม่ไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรที่ได้พูดกันมันสมมุติทุกอย่างอะ่ะแหละของเก่าของใหม่มันก็เรือกสมมุติถึงนั้นไม่มีสมมุติก็ไม่ดูเรื่องกันนั่งเฉยเฉยก็ไม่ดูเรื่องกันอืมจะให้เรารู้จักอย่างนั้นอถึงขนาดนี้ก็ จำเป็นที่จะสมาธิหรือว่าสีิขนาดไหน <Huh? S 2> ถึงขนาดนี้ขนาไหนมี่สมาธิขนาด oh, ไอนมันมีควบคุมไปคงมนแล้วฟังนี่ไม่มีสมาธิจะทำไงไม่มีสมาธิมันม า, มาถึงขนาดนี้ อ, อื้อขนาดที่พอดูได้พอมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้มไม่รู้จักว่าขนาดไหนเลยเว้ยจิตสงบขนาดไหนอเอาขนาดที่มันไม่สงสัยเท่านั้นแหละเว้ย หมดเท่านั้นเนี่ยนี่ถ้าถามนะมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นเ น, นี่ยนี่หลวงปู่จิตเดิมกับภูรูอันเดียวกันหรือเปล่าจิตเดิมไม่ใช่ภูรูนี่มันแปลไปได้นี่นะภูรูนี่มันแปลไปได้คือความรู้สึกของเราเนี่ยอืภูรูนี่มันมีทุกคนภูรูอ๋อจิตเดิมไม่มีทุกคนอืมฮะ เดิมมีทุกคนมันมีมันมีทุกคนนั่นแหละแต่พูรูมันมีทุกคนมันไม่จบเรื่องมันพู้รูนั่นแหละตั้งสองมีทุกคนใช่มีทุกคนแต่ยังค้นไม่ถึงมันพูรูก็ยังมีตัวมีตนหรือไม่มีมีควารู้สึกตัวนั้นมีไห่แต่ไหนแต่มาแต่เวลา non non lab sanit ยังมีพูรู้พลาะเวลานอน lab s น n i มีผูรู้รูปเปล่ามันมีมันก็มียุดข้ามาแล้วตรงนั้นตุภวังกจิตดอกกันมันดอกแล้วเนาะอ๋นนอ อ, อ, อันนี้เป็นพวังตวางคนนอนอันนอันนี้อืมอันนี้เ่ยแตศึกษาไปมันก็ยุ่งไปเรื่อยๆไม่มีทางจบหรอกอันนี้มันยุ่งไปเรื่อยๆ อันนี้ทํานี่ไม่ใช่ว่ามันจะไปรู้แจ้งเพราะบุคคลอื่นบอกเราก็รู้กันอยู่แล้วแกมาถามให้มันจริงจริงจังจังอันนี้มันยังงั้นอย่างงั้นยางงั้นจริงๆมันไม่ได้อันนี้คือมันไม่ได้อันนี้มันเป็นปัจจิตังจริงจริงอันนี้เด็กกระป๋อเอาไปพีนากนครับเอาไปเข้าไปพีนาเดิม ที่ปกติรวมพ่อสอนเมื่อจิตยังออกพิจรารณาร่างกาย mm. อันนี้มันจําเป็นพอเห็นมันจำเป็นยังมันใหม่เขาจาเป็ น, นเท่าไหพิจารณาดังอาการสามคิดสองอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่คือเรื่องจิตสงบแต่ความรู้สึกพิพจารณามันเกิดขึ้นมาเองของมันการพิจารณาในสมาธินั้น ไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่พิจารณาจากนอกจากสมาธิธรรมดาของเราถ้าถึงสมาธิปุจบเมื่อถึงที่นั้นมันไอการความคิดมันจะไม่มีมันจะมีการพิจารณาขึ้นมาเรียกว่าพิจารณาในที่สงบอันนั้นอย่างเราไปนั่งสมาธิเรนไปเรนมาอย่างนี้เราเรามีความรู้สึกเปรียบเทียบมันมีต่างกันหยาบมันของหยาบมันเป็นเรื่องอันหนึ่งหยาบอืมแตยมก็เข้ากันนด้ มี่เข้ากันไปได้ของมัน <mail> ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนแนตะ่มันมีสติของมันอยู่อย่างไรสติคือรู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ทำไมท่านจึงไม่โกรธไม่หลงก็เพราะท่านรู้อยู่อย่างนั้นมันมีความรู้สึกเพรมันอยู่อย่างนั้นเหตุ <mail> ที่จะให้เกิดโกรธมันไม่มีเหตุท <mail> <mail> <mail> ี่จะให้เกิดโลภมันไม่มีมันจะมีมาจากที่ไหนเพราะความรู้สึกอนั้นมันมีอยู่อย่างนั้น ทับมันอยู่อย่างนั้นก็เรือหมดเยีนที่จะต้องทำก็คือไม่ต้องทำอะไรนะถ้าเรามีงานทำอยู่ก็ยังจิดที่จะต้องทำเรามันมีอยู่วางไม่เฉยเฉยวางเฉยเฉยไว้เราก็รู้จักมันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องกำหนดเพราะกาหนดของมันเองอยู่แล้วอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะไปถามม่ใช่สมาธิมันมันมีอยู่แล้วสมาธินั่นจะไปใช่อะไรมนแลยก็มันมีอยู่ในรุ่นของมันแล้ว มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันผิดมันถูกอะไรเราพยายามทู่มสิ่งเราก็ปล่อยวางปล่อยเสมอมันที่มันมาถึงนั่นน่ะมันจะผิดจะถูกก็ปล่อยมันซะก่อนไม่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงทุกครู้เหตุผลในมันถึงที่มันซะที่เขาเรียกว่าจิตเดิมที่ว่ามันไม่เที่ยงคือมันไม่เป็นอะไรมันจริงอย่างนั้นอืม คืออะไรมันไหลมาตามน้ําไหลมาไงมันมันติดแล้วก็ผักมันออกไปไหลไปผลักตัมันไหลออกไปไหลไปอันนั้นคืออะไรมันไหลไปอะไรไม่รู้มันมันติดอย่างนี้ผักมันออกไปเท่านั้นแหละอารมณ์อ่ะผักออกไปเท่านั้นมันหมดจะทําไปมันจะมีมันจะมีไหมมันมีอารมณ์ไหมถ้ามีอารมณ์ก็ผักมันไปถ้ามันไม่มีเราก็เฉยของเราอยู่อ พูดจะมันง่ายเนาะคือกันกับเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาวนะิธีสอนของของในทางคุทธศาสธรรสนี่สอนแ่ะสอนศีลเป็นเบื้องต้นนะแต่สมาธิเป็นทรรกลางปัญญาเป็นที่สุด อย่างนี้เราก็จํามันได้จํามันเราก็ไปสอนศีลไอ้ความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะถ้าเราพูดไปในคนบางคนเนาะไม่ต้องสอนศีลอย่างชาวอเมริกนันมานั่งไอ้บรรทมง่ไปทีเดียวนี่นเนี่ยยังพึ่งไปพูดมันเลยหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญา นั่งให้มันมีความสงบเท่านั้นก่อนเมื่อมีความสงบมันจะรู้สึกของมันเตนมวามันมีอสราพิษตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในได้ตรงเนี้ยท่านี้มันปิดอยู่แล้วก็เหยียบมันเยียวแล้วก็สบายอยู่เพราะเราไม่รู้จักมันไหมอย่างนี้สินนอ่ยเกิกันเนื้อต่กี่วมันแต่ก่อนเพราะคนในถิ่นนั่นสอนเรื่องความสงบอย่างเดียวเท่านี้ เมื่อจิตมันสงบแล้วมันก็จะแปลกขึ้นมาของมันถึงแม้มีสัตว์อยู่นี่มันก็สงบอยู่เพราะมันไม่รู้จักนี่ศินนี่ก็เหมือนกันอืมเราไปไปสอนศินไม่ต้องมาณาอจินนากรรมเมมูสามันไปไม่ทันอย่างไม้ต้นเนี่ยทั้งนี้ต้นมันกลางมันปลายมันแท่นบอกให้สอนแต่ต้นมันมาเราจะสอนแต่ว่าให้จับปลายมันก็ได้มาถึงมี่ก็ถึงต้นเหมือนกัน จับทางต้นมามาถึงนี่ก็ถึงปลายเหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องว่าอันนี้มันเป็นต้นช้อนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเรามันสมาธิก็ให้สมาธิมันนีนมันสมบูเลยนะมันจะมีความรู้สึกขึ้นจับมาทางปลายก่อนก็ได้มาถึงต้นเพราะว่าต้นกับปลายมันอยู่อันเดียวกันนี่จับปลายมาถึงต้นจับต้นไปถึงปลายเมื่อรู้ไม่ทอดนี่มันมีต้นมีปลายอยู่แล้วมันก็รู้จักนี่ การพิจารณาสอนคนบางคนก็เป็นอย่างนี้คือถ้าสมาธินี่เมื่อมันมีความสงบขึ้นมามันต้องแปลกในจิตของเราเด๋ยวค่อยๆปัญญามันค่อยๆซืมและมันก็เห็นความรู้สึกผิดถูกมาเจนน้อยๆจริงทั้งสามอย่างมันหมุนเย็นทันอย่างนี้จับตรงไหนก็ให้หลักของมันเป็นอย่างนั้นแต่หลักเก่าก็มันจะสิ้นสมาที่ปัญญาอย่างนี้ ไม่เอาเงไม่เอาไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้มันมไม่ได้การความ <Columbus> รู้ของคนมันเป็นอย่างนั้นอย่างพวกเมืองนอกของเราเนี่ยนั่นมันสงบมันมันเคลียร์มันให้มันสงบความสงบมันเกิดไปมาอาการของความสงบมันคือควารู้สึกของมันอืทำๆไปเรื่อไปแล้วมันอยู่ไปอย่างไม่ม entonces, ีปัญหาคล้ายๆเทว่ามั just, นไม่มีสิ่งอะไรจะกลัวมันก็สงบอย่างอัตพิภษมันอยู่นี่เราไม่เห็นมัน อืถ้ามันสงบแล้วเราไปดื้ออย่างนี้มาเห็นเห็นอสราพิษอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นศีลจรี่เอ้ยมึงรวมกันเห็นศีลนี่มันจะเปรียบอย่างนั้นเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปใหม่มันมันรอบอันเดียวกันนั่นเองอันนี้มันเป็นอุบายของคนที่เรียนสอนหนาตุกซีดมาแล้วเนีะเห็นไหมพอดีโอ้ขอบเก็บขอบ มันไม่เคยรู้จักอะไรมันมาตามชนบท์มันก็เห็นไก่พ่ออะไรตรงนั้นนี่ยพ่อเห็นเป็ดก็พ่ออะไรเห็นหมูพ่ออะไรตรงนั้นเนี่ยเรื่อยพ่อเลยขี้เกียจจะพูดพูดประเด็กนกระถามเรื่อยเพราะมันไม่เคยเห็นมันเห็นใหม่ๆเนี่ยนานๆพอไปถึงอือเอ้ยเท่า น, น, น, นั้นแหละเจ็บประเด็นกระเรียกทุกคําเหนื่อยตายเลยเว้ย เด็กมันไม่หนูเองมันเห็นมัเออันนั้นอะไรอันนี้อะไรอันนั้นอะไรมันไม่จบสักทีหนึ่งเลยแต่ว่าเมื่อมันโตมาแล้วมันจะรู้เองมันนะอันนี้คือการภาวนานี่เหมือนกันผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเมื่อมันเข้าใจมาแล้วปัญหานั้นมันก็ไม่มีคือมันโตมาคือเราได้ฟักฝฟในการภาวนามารู้เรื่องมันก็ค่อยแก้ไขตัวมันเองมันเป็นไปอย่างนั้นอืมอันนี้ก็เหมือนกันอืมฉะนั้นก็ ให้ดูตัวเองให้มันมากๆมาก น, นะให้ดูเจ้าของเองในหะ้มันมากมาเรื่องจาครโรถูกเรื่องมันกโกองตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะก็เรว่ามันดูตัวของเราเนะี่ยดูตัวคนวันนี้มาหาคนหนึ่งห้าประโยคอมืมาให้รถตำมลให้มันกินเหล้ามาหยุด อ, อยากจะหยุดเหล้ามาให้รถตำมนให้ดูที่มันมมใจมาหานี่เว้ยเนาะ ไม่ดูเรื่องเราทําเองดูจากที่ผิดมันอยู่ไม่แก้ไขนี่อยากจะเอาน้ามารสน้ำมนต์โอ้ยน้ำมนต์ไม่มีมั้งมาหนี้พระมาต้มน้ําร้อนน้ำมนต์เดี๋ยวนี้ต้องต้มน้ําร้อนเดือดเดือดอย่างนั้นมันถึงดีรสให้มันหนังรอกออ ก, ก น, นะไม่ดูเรื่องมาหาห้าประโยชน์อ่เรากินเหล้าอยากจะหายเมา อยากจะหยุดเอาไม่ได้อยากยายอาจารย์มารดตะมวนให้เพราะว่าน้ำ ม, ม้วนไม่มีบันนี้ไม่ได้ต้ม อ, อิตโรไม่ต้มน้าร้อนมันพูดไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นก็เลยมันไม่ค่อยอะไระเฉยเฉมแต่ว่าให้เราตามดูของเราอย่าหยุดนะที่เราเองเนี่ยตามดูจิตของเรา ตามดูความรู้สึกของเราตามดูความปรุงแต่งของเราไอความเป็นจริงสิ่งที่มันดูสึกนึกคิดทัางหรามันเรื่องปรุงแต่งขึ้นนั่นถ้าพูด ง, ง่ายๆว่าอย่าไปวิ่งกับมันอย่าไปวิ่งตามมันเลยมันเป็นเรื่องปรุงเรื่องแต่งองนั้นน่ะเรื่องปรุงแต่งมันเป็นเครื่องปรุงจิตตสังขาร น, นี่ อืสังขารคือจิตแตมันปรุงแต่งเนี่ยเอายางนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้เนี่ยเอาอย่างนี้เนี่ยเอาอย่างนั่นบางทีอันนี้ไม่ชอบทิ้งอีกอีกสามวันอู้อันนี้ดีมันการไปเก็บมาอีกก็ได้นะดีดีเอามาอีกดีอีกสองสามวันอู้ไม่ดีอีกแล้วทิ้งอีกเหมือนพันกระเด็กที่มันเห็นไก่เนะี่ยอะไรพ่อเห็นเป็ดนนะอะไรแม่อะไรวุ่นทั้งนั้นอือ ม, มันก็ลาบากอือ เดี๋ยวนี้อยากใช่ปยักทรรมกําหนดตามอาการที่มันเกิดขึ้นมาอืมมันเป็นของอะไรที่ไม่แน่นอนสักอย่างหนถ้าเห็นอะไรที่มันไม่แน่นอนสักอย่างอย่างชัดแล้ก็หมดหมดสงสัยทำไมถึงหมดสงสยัยว่ามันไม่แน่สักอย่างหนึ่งเลย ไ้ามคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูว่ามันนนี่มันก็ไปไหนจะไปหมายมั่นมันไม่หมดขนานั้นอืมอืมนัม่ไม่หมดทำให้มันหมดเมื่อก็หมดก็เท่านั้นะอืมอ ม, มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องสังขารถ้าเราไม่รู้จักเข้าใจมนันเป็นเรื่องของปัญญาอวิ่งตามมันไป แนี่มันพาเราไปทุกข์แน่ถ้าเป็นปัญญามันจะพาเราไปทุกข์ไหมอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องปัญญาให้เกิดให้รู้ให้เห็นเหมือนกันอย่าไปนึกว่ามันอยู่ไกลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เรื่องปรุงแต่งอยู่ที่ไหนก็ปัญญามันก็อยู่ที่นั่นแหละเนี่เปลี่ย น, นสังขารที่ไหนมันวิสังขารก็ที่นั้นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งสังขารคือความปรุงแต่งพูดก็วิธีของหลายอาจารย์นะอย่างเส้นนี่นะน <laughs> เส้นนี้่ก็ เขาทำให้เกิดปัญญากัมอนเนีะ่ะถามตอบตอบก็เครียดอุกถามยไม่ตอบไม่ตอบกาเครียดยี่งแมมันจะตายจะเอาไงกนันมีเนี่ยนี่วิธีของเขาทำให้เกิดปัญญาจะทำไงนี่ไปข้างหน้าก็ไม่ถูกกลับข้างหลังก็ไม่ถูกอยู่กับที่ไม่ตอบเลยก็ไม่ถูกเครียดทั้งนั้น เกิดความรู้สึกนึกคิดคนควา่าจะทำอะไรดีเนาะวิธีเซนเขาสอนอย่างงั้นวมไป ด, ดูแหละ ม, มันก็แปลกมันก็ต้องไม่เกิดปัญญาน่ น, น่ะ น, นะนอ่ต้องไม่เกิดปัญญาถามตอบตอบผัวเทียนผิดถูกไม่รู้เรื่องตอบผิด ไม่ผิดไม่รู้เขียนทั้งนั้นหยุดไม่ตอบเลยเฉยๆก็เขียนสุดแล้วจะทําอะไรต่อไปอีกมันสุดแล้วทีนี้ต้องทำนี่มันมันก็พิจารณาขึ้นมาด้วยจะทําอะไรดีเนาะอย่างนี้นี่อันนี้วิธีของเขาดีนะคดึกรับนะนึกรับดีกันแต่พวกเราก็นี่ว่า อันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นรู้ไปรูปไปรูปไปรู้คนอื่นบอกนะเดี๋ยวจะไม่รู้อีกอย่างนี้อถ้ามีสงสัยอีกเยู่เลยเอมันเป็นเรื่องของอย่างนั้นอื <c oughs> ฉะนั้นก็อืยิ่งบอกเท่าไรยิ่งไม่รู้เท่านั้นทําไมจริงจริงมันจริงไม่รู้อะไรมันบงังไอความรู้นะั่นแหะมันบังนะ มันเป็นสิ่งที่ไม่รู้มันบา ง, างนู่นอ่ะฉะนั้นยังไงค้นเข้าไปจริงๆจริงในนั้นค้นเข้าไปคนเข้าไปจะเห็นเห็นสิ่งที่ละเอียดสิ่งอะไรที่มันละเอียดได้ดีแล้วละเอียดมากเหลือเกินเนี่ยอาจารย์สิ้นไม่เอานะ่ะไม่เอาละเอียดก็ไม่เอาตีตึ้งนันเขี้งนั้นเอละเอี ย, ด, ย, ด, ยดมัน ก, ก็ยังอยู่นี่นะ่ะ ไล่ให้มันออกอ่ะหมดพ้นทางเลยไม่รู้จะไปยังไงใย mm. บางที่หมดดีกว่าท่านยังกล่าวว่าเรื่องที่เรารู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเท้านั้นนะมันเรื่องปรุงแต่งไม่ใช่ความรู้อันแท้จริงมันเรื่องปรุงแต่งแต่แเราข้าใจมาเป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ไม่วางแต่ความรู้จริงมันก็วางของมันอย่างนั้น ถ้าเราคุ้นกันไงเรื่องทำสมาธินี่มันยากเหลือเกินเลยผมทำเลยมันเป็นอย่างนั้นผมทำเลยมันเป็นอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่นั่งไปแล้วมันเห็นสีเหลืองสีแดงสีนวลสีนี่สาระพัดอย่างที่จะมันเปลนไปพอเชิญมาเล่าอาการเรื่องสมาธิให้ผมฟังหนออูผมก็นั่งอยู่เฉยๆจ้ ะ, ะเด็กมันถามด้วยไม่อยู่ คือมันไม่รู้จักมันเป็นเหตุที่เด็กมันจะต้องถามานนั้นเพราะเพราะมันไม่รู้่เด็กมาโตขึ้นมาแล้วมันก็รู้จักเองมันเ่ย